ขอนอบน้อมพรัฒนาไตขอโอกาสพระอาจารย์ยุกิพระอาจารย์ชัดชัยแล้วก็เพื่อนธรรมิกทุกท่านจเจริญในธรรมแม่ชีแล้วก็นักปฏิบัติธรรมทุกคนนะเราก็มาปฏิบัติธรรมหลายคนก็อยู่ประจำนะบางคนก็เพิ่งมาปฏิบัติก็คนะงได้ตั้งใจปฏิบัติกันอย่างเต็มที่เนาะตาม ที่เราได้ตั้งใจที่จะมาที่นี่เนะพราะที่นี่ก็เน้นเรื่องการปฏิบัติธรรมทันะ้ทงการทีกว่าปฏิบัติในรูปแบบหรือว่าการกระทาภายนอกซึ่งก็เป็นการปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกันแต่บางทีเราปฏิบัติก็รู้สึกว่าทาไมปฏิบัติแล้วมันกลับทุกข์มากกว่าเก่านะเช่นทาไมเราต้องมาทนความง่วงนอนด้วยนะเดินก็ง่วง นั่งก็ง่วงตื่นก็เช้าไม่อยากตื่นก็ต้องตื่นทำไมต้องมาฟื้นทนทำจนเหนื่อยจนล้าจนเครียดไปก็มีบางทีก็คิดว่า ม, มันง่วงมากๆไปขอนอนดีกว่านบางทีมันอยากมากๆก็ขอไปทาตามใจความอยากสักหน่อยดีกว่ามันคิดสงสัยมันคิดอยากรู้ ก็อยากจะคิดให้มันทะลุปูโป่งไปเลยนะทำไมต้องกลับมาอยู่กับการเคลื่อนไหวด้วยฉันอยากจะคิดทำไมไม่ให้ฉันคิดนะเหรือบางทีมีความไม่พอใจเกิดขึ้นก็คิดอยากจะไปทำตามความไม่พอใจคิดว่าไประบายออกดีกว่ามาเก็บกดไว้ทำไมระบายออกมันสบายใจกว่าอะไรน ะ, นะหรือมีความ อยากจะทําอะไรสักอย่างนะก็สนองความอยากให้มันสุดๆไปเลยดีกว่าให้มันจนทั่งมันเบื่อไปเลยดีกว่านะบางทีพวกนี้แหละมันก็เกิดขึ้นได้เนาะนะถ้าภาษาพระถ้าเรียกว่านีวรณธรรมนะความง่วงนอนนะความหดหู่นะหรือว่าความคิดในทางสงสัยความคิดในทางเรียกว่าตามใจนะกรรมคุณทั้งห้านะ ตาหูจมูกลิ้นกายนะที่จริงมันก็เรียกว่าเป็นเรื่องของใจด้วยแหละนะหรือบางทีมีความคิดในทางปฏิฆะนะอารมณ์ที่เกิดไม่ดีเกิดขึ้นนะพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็บางทีมันก็เป็นอุปสรรคสำคัญมากกับการปฏิบัติธรรมแต่นะถ้าเราตั้งใจที่จะเดินทางนี้นะมันต้องเจอกันทุกคนนะ ให้ยอมรับเลยว่าเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของการปฏิบัติธรรมไอ้วิธีการที่เราคิดว่ามันจะแก้ไขปัญหานะ่ะที่จริงมันไม่ใช่นะ่ะบางทีเราตื่นตึกว่าทําไมปฏิบัติธรรมแล้วมันง่วงงวงง่วงมากๆทําไงก็ไม่หายง่วงสักทีนะไปขอพักขอผ่อนดีกว่าอันนั้นไม่ใช่วิธีกธารแก้ทุกนะแต่เป็นการหนีทุกนะ่ะพระอาจารย์ท่านสอนให้เรารู้จักทุกข์ ทุกที่เกิดขึ้นให้เรารู้จักนะไม่ใช่หนีไม่ใช่พักนะความคิดก็เช่นเดียวกันนะความคิดมันเกิดขึ้นทำให้เราเกิดเป็นความไม่สบายใจเราก็ไม่ใช่แก้ทุกโดยการที่ว่าทำตามความคิดทำตามความอยากแต่เราแก้ทุกโดยการแค่เรียกว่าไม่ทำตามมันละความอยากเสียได้มันก็ไม่ทุกแล้วนเนี้ยนี่สิ่งที่เราทำเนาะ นิวรธรํมเกิดขึ้นอาการที่เกิดขึ้นกับกายกับใจก็ดีหน้าที่ของเราคือคอยเรียนรู้เขาดูสิเวลามันง่วงกายมันเป็นแบบไหนสะุมสะดือไม่ปลอดโปร่งเช่นไรหรือว่าจิตใจมัน ง, งุดหิดไม่บุ้เรียว่าไม่สงบเป็นอย่างไรล้วก็ดูสิดูอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายดูอาการที่มันเกิดขึ้นกับใจเวลามันโกรธเวลาม ไ, มไม่พอใจ มันหายใจเป็นแบบไหนมันหายใจสั้นเนาะหายใจถี่เนาะหัวใจเต้นแรงเนาะเวลามันสบายใจโอ้อมันก็ยิ้มได้มันก็สดชื่นมันก็หายใจปลอดปร่งรงสบายนี่เราก็เห็นอาการของกายแล้วก็อ้อย้อนกลับมาดูว่าอ้อกายมันสัมพันธ์กับใจเป็นแบบนี้นเองใจมันมีอาการแบบนี้มันก็ส่งผลต่อกายเป็นแบบนี้นี่เองเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้เรากลับมาเรียนรู้เรื่องของความทุกข์ เรื่องความทุกข์ที่พระเจ้าท่านเรียกว่าขีดขีดเรียกว่าเน้นให้เรากลับมาดูก็คือกายแล้วก็ใจนี่แหละดูให้เห็นว่ากายและใจมันเป็นทุกข์อย่างไรนะมันเป็นทุกข์อย่างไรถ้าเราเห็นทุกข์นะมันจะไม่เป็นผู้ทุกข์แต่ถ้าเมื่อไรที่เราไม่พอใจอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเราเข้าไปเป็นแล้วนะเราเข้าไปเป็นผู้ไม่พอใจเราเข้าไปเป็นผู้ที่ทุกข์แล้ว เช่นความง่วงเกิดขึ้นน่ยนะแทนที่เราจะรู้ว่ามันง่วงเฉยๆแต่เราส่วนหนึ่งบางคนก็คือไปคิดว่าฉันง่วงนะอีบางคนก็ไปคิดว่าฉันอยากจะละความง่วงก็คือมีความไม่พอใจไม่ชอบใจความง่วงเกิดขึ้นนะแทนที่เราจะเรียกว่าดับดับทุกข์หรือว่าดับสาเหตุของความทุกข์ก็คือว่าละความอยาก หรือการที่เราแค่รู้เฉยๆรู้ซื่อธรรมดานี่แหละแต่เราไปเพิ่มความอยากนะเมื่อความง่วงเกิดขึ้นเราไปไม่พอใจเป็นการเพิ่มสาเหตุของความทุกข์เข้าไปพอความง่วงเกิดขึ้นเรามีความโกรธเข้าไปนะมันไม่ใช่เป็นการดับนะแต่เป็นการเพิ่มเหมือนกับกองไฟที่มันไหม้ขึ้นมาแล้วเนาะแทนที่แทนที่เราจะดับไฟให้ถูกวิธีเรากลับราดน้ามันเข้าไปในกองไฟมันยิ่งไหม้ลามขึ้นไปใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะ จนกรทั่งบรรดามแก้ไม่ได้ความคิดก็เหมือนกันเนาะความคิดเราไม่ได้เอาความคิดไปแก้ความคิดดังนั้นเวลาคิดสงสัยคิดไม่พอใจหรือคิดพอใจอะไรก็ตามที่ครูบาอาจารย์ท้องบอกว่าอย่าพึ่งไปอยู่กับความคิดอย่าเพิ่งไม่เอารายละเอียดกับความคิดให้กลับมารู้สึกตัวเสียก่อนก็คือว่าไม่เอาความคิดไปแก้ความคิดนะไม่ใช่เอาความคิดไปซ้อนคิดนะแบบนั้นมันไม่ใช่พิธีแก้ปัญหา แต่เราเพียงแค่กลับมารู้จักความคิดตรงๆแล้วก็วางไปซะกลับมารู้สึกกับกายที่เคลื่อนไหวกลับมารู้กับการกระทําในปัจจุบันตรงนั้นแทนความคิดตรงนั้นมันก็ตกไปแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่สนใจในอาการพวกนี้นะทุกคนต้องเจอนะอย่าคิดว่าทําไมฉันต้องเจอด้วยหรือว่าบางทีคิดว่าทําไมคนอื่นเขาไม่เป็นเราเป็นที่จริงบางคนนะเขาก็เป็นมามากก็แห้ะ จะรู้ว่ามันจะผ่านแบบไหนทั้งนั้นพวกเราบางทีเพิ่งมาฝึกปฏิบัติหรือแม้แต่ที่จริงนะมาสัมผัสกับหลายคนปฏิบัติธรรมาหลายปีก็ยังเจอเรื่องพวกนี้อยู่ความง่วงความคิดความสงสัยวนเวียนก็มาเหมือนขึ้นระดอกแล้วระลอกเล่าทะเรายออหาดทรายไม่เคยได้พักสักทีขึ้นความคิดกระทบฝังอยู่ตลอดเวลาปฏิบัติรม ในรูปแบบก็ดีหรือนอกรูปแบบก็ดีความคิดมันมากมายเดือเกินนะเราก็มีอาชี่พิงแค่อ้อเห็นมาเกิดขึ้นนะทําตัวเหมือนกับชายหาดนะชายหาดมันอยู่ปกติธรรมดาขึ้นกระทบฝั่งแล้วมันก็หายไปขึ้นลูกใหม่มากระทบมันก็หายไปนะชายหาดมันเป็นปกติมันธรรมดามันไม่ต้องไปโต้ขึ้นนะถ้าเมื่อใดที่เราเป็นนักโต้ขึ้นนะ เราเหนื่อยนะเพราะต้องคอยหลบคอยหลีกคอยมีลีลาท่าทางสุดท้ายก็ไม่สามารถพ้นขึ้นได้ลูกแล้วลูกเล่าหรอกแต่ถ้าเราทำตัวเหมือนชายหาดอยู่เฉยอยู่ธรรมดาดูขึ้นมันเกิดขึ้นดูขึ้นมันตั้งอยู่ดูขึ้นมันดับไปเราก็ดูความคิดมันเกิดขึ้นดูซิพอไม่ไปคิดกับมันมันก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของมันเนะี่ยเราไม่เข้าไปปรุงแต่งกับความคิด เดีวความคิดมันก็ตกไปของมันเองนีน่หน้าที่ของเราคือทำอย่างไดถึงจะเป็นผู้ดูการที่เราฝึกสตินี่แหละจะฝึกเรียกว่าสร้างสภาวะผู้รู้ผู้ดูดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของกายก็ดีเรื่องของใจก็ดีดูมันเฉยเฉยดูมันเฉยเฉยบางทีมันหลงไปมันไม่เฉยเข้าไปเป็นผู้เป็นอ่ะก็ถอนตัวเองขึ้นมาซะน่ะเราก็ทําหน้าที่แบบนี้บางทีเรียกว่าสติมันไม่สามารถตั้งมั่น เป็นผู้รู้ผู้ดูรู้เฉยๆได้อย่างที่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ท่านว่าเราเข้าไปเป็นผู้เป็นบ้างเข้าไปเครียดบ้างเข้าไปทุกข์บ้างนะก็ไม่เป็นไรถือว่าในการฝึกหัดก็คือพยายามกลับมาบ่อยๆเหมือนกับเราจมน้ำเนาะบางทีบางคนว่ายน้ำไม่แข็งตกน้ำลงไปก็จมน้ำหน้าที่ของเราคืออะไรก็โผล่ขึ้นมาจะผิวน้ำบ่อยๆต่ออายุนะต่อลมหายใจ การที่เราเข้าไปจมกับความคิดเข้าไปเป็นผู้คิดเข้าไปเป็นผู้หลงเข้าปเป็นผู้ทุกข์ก็เหมือนกันก็ถอนออกมาบ่อยๆแค่นั้นต่ออายุของเรียกว่าผู้รู้นะต่ออายุของสติต่ออายุของปัญญาเนาะแต่ถ้าเราไม่ต่อนะเข้าไปจมกับความคิดเข้าไปเป็นผู้คิดเ <ๆ S 2> ข้าไปเป็นผู้ทุกข์อยู่ตลอดเวลาเหมือนกับคนจมน้ําไม่ยอมโผล่ขึ้นมาจากผิวน้ําสักทีออกซิเจนก็หายก็ตายนะ เราก็เหมือนกันนะถ้าเราจมอยู่กับโลกแต่ความคิดตลอดเวลาเราก็ตายตายจากกระไดตายจากศีลสมาธิปัญญาตายจากความหลุดผลนแต่ถ้าเราหลุดออกมาได้ชั่วข้างชั่วข่าวนะก็ยังดีบางทีครูบาอาจารย์เขาบอกว่าแค่มีสติชั่วช้างสะบัดหูชั่วงูแลบล้นก็ยังดีนะแม้มันจะแวบแป๊บเดียว แต่ก็ยังเป็นการต่ออายุของสติของตัวรู้นะแต่ถ้าเราไม่ออกมาเลยนะเรียกว่าตายตายตั้งแต่ตอนยังหายใจอยู่นั่นแหละนะตายจากคุณงามความดีตายจากมรรคผลนิพพานแต่จริงมรรคผลนิพพานไม่ได้ไม่ได้ปิดไปที่ไหนหรอกแต่คล้ายๆเราเพียงแต่ไม่มีกุญแจที่จะเปิดนะมรรคผลนิพพานตรงนั้นใครที่มีสติเนี่ยบางทีครูบาอาจารย์ท่าบอกว่าเหมือนกับกุญแจที่คอยมาเปิดประตูให้เรา เดินให้ถูกทิศถูกทางเราก็เพียงแค่พยายามกลับมารู้สึกตัวบ่อยๆตรงนี้แหละจะเป็นการเดินทางที่ถูกทางแม้จะเจอความทุกข์ไม่จะเจอความง่วงไม่จะเจอความคิดขนาดไหนเนาะขอให้ตั้งใจดีๆตั้งใจไม่ใช่ไปสู้กับมันเพียงแต่รู้มันเฉยๆนะไม่ใช่ไปสู้ถ้าไปสู้นะมันจะเป็นการหนักแค่รูม้มันเกิดขึ้นแล้วก็กลับมาสนใจการเคลื่อนไหวใหม่ ไม่ต้องไปคิดว่าเมื่อไรมันจะหายง่วงเมื่อไรมันจะหายคิดเมื่อไรมันจะหายสงสัยเมื่อไรมันจะเข้าใจถ้าเรามีแต่คำถามในใจว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ทำไมทำไมเพราะอะไรเพราะอะไรนะมันเครียดมันทุกข์แต่ถ้าเราอ๋ออ๋อมันเกิดขึ้นหรออ๋อมันเกิดขึ้นหรออ๋อมันเกิดขึ้นหรอลองสังเกตไหมเวลาถ้าเรามีคำถามในใจเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนคิ้วมันก็มวดใจมันหนักใช่ไห แต่ถ้ามันอใดอ๋อมันเกิดขึ้นหรืออ๋อมันเกิดขึ้นหรอเออพอ อ, อ๋อนะใจมัเกิดเกิดความยอมรับอืมมันเป็นแบบนั้นของมันเนาะอืจิตใจก็เกิดความเบาเกิดความสบายเกิดความปโป่งโล่งเนาะแม้บางทีมันจะเข้ามาใหม่อ่ะก็ไม่เป็นไรนะใจมันจะเป็นแบบนี้นะถ้าใจเรามีสติมันจะมีปัญญาในการวางอ๋อไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันแล้วแค่รู้เฉยๆก็พอแล้วอ่านะ หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคมเขียนท่านพูดไว้ชัดมากเลยสรุปง่ายๆคำว่ารู้ซื่อๆนะรู้ซื่อๆนะมันซื่อจนกระทั่งแบบมันจืดสนิทนะอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาก็จืดแบบนั้นแหละไม่มีค่าไม่มีราคาเลยจะทุกข์ก็ดีจะสุขก็ดีเกิดขึ้นมาแล้วก็อ้อก็เห็นมันแบบ น, นเฉยๆไม่เข้าไปเป็นผู้ทุกข์ไม่เข้าไปเป็นผู้สุขแม้แต่ตัวรู้เกิดขึ้นก็ไม่เข้าไปเป็นผู้รู้นะ ก็เห็นว่ามันรู้เห็นว่ามันหลงนะไม่เข้าไปยึดทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งรู้ทั้งหลงถ้าจิตใจเป็นแบบนี้นะฮู้จิตใจมันจะซื่อมากแต่มันซื่อมากซื่อจนกทั้งมันตรงตรงกับเรียกว่าภาวะที่เรียกว่านิพพานสภาวะซื่ อ, อเนี่ยมันตรงกับสภาวะที่เรียกนิพพานนิพพานคืออะไรคือความดับทุกข์คือความเย็นใจอจิตใจมันซื่อจิตใจมันตรงต่อสภาวะของความดับทุกข์ เพราะามันไม่ไม่หลงไปอยู่กับความคิดเพราะามันไม่สงสัยนะเพราะว่ามันเย็นใจแล้วมันวางแล้วอ้ออาการใหนเกิดขึ้นก็ได้แต่ทั้งก็วางแล้วนะวางไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปได้นะน่นะเราก็ฝึกตัว น, นี้ไปนะการมีสติจะช่วยให้เราเกิดปัญญาเกิดการปล่อยวางตัว น, นี้แหละนะนี่แต่คือผลของการปฏิบัติไม่ใช่ว่าวันนี้เรายังง่วงเรายังคิดมากอยู่นะ ต่อไปมันก็ยังเรียกว่าออกจากความง่วงได้โดยเฉพาะความง่วงนะบางทีอาจจะเป็นอุปสรรคแรกๆของผู้ปฏิบัติธรรมขอให้ทําใจเข้มแข็งสักหน่อยนะวันนี้อาจจะยังแก้ความง่วงไม่ได้ผ่านความง่วงไม่ได้แต่ขอให้ตั้งใจว่าอืมวันหนึ่งนะเราจะตั้งใจให้ผ่านมันให้ได้นะแต่บางทีเราก็ผ่านแบบเรียกว่าให้มีอุบายสักหน่อยนะบางทีก็ไม่ใช่ว่าจะต้องทนนั่งทนเดิน ทนกับความม่วงตลอดไปหรอกวิธีง่ายที่สุดนะเปลี่ยนฉากเปลี่ยนอียาบดเปลี่ยนรูปแบบบ้างนั่งยกมือท่าเดียวนานจังหวะเดียวบ่อยๆนะมันเหมือนแม่ที่ไกวไปกับลูกนะลูกมันโดนไกวไ ป, ไปบ่อยมันก็ซึมก็ง่วงก็หลับไปไอเราก็ยกแต่ท่าเดียวบ่อยๆเดินท่าเดียวจังหวะเดียวตลอดมันก็ซึมสิซึมแล้วมันก็ง่วงสินะก็เปลี่ยนจังหวะไปบ้างนะ เปลี่ยนยกมือเร็วขึ้นแรงขึ้นเปลี่ยนท่ายกบ้างนะเดินก็เหมือนกันก็เปลี่ยนจังหวะบ้างนะรู้จักฉลาดบ้างนะอย่าไปทนอย่างเดียวนะพุทธศาสนานะไม่ได้สอนให้เราอดทนนะอดทนนะั้นถ้าหายก็สอนทอนหายอดทนนะแต่เราเป็นนักปฏิบัติธรรมไม่ใช่อดทนท่าเดียวต้องฉลาดในการที่เรียกว่าปรับเปลี่ยนเทคนิคในการที่เรียกว่าหาทาง หาอุบายในการออกจากความทุกข์บ้างออกจากความง่วงบ้างไม่ไหวจริงๆก็ไปล้างหน้าล้างต า, ามองท้องฟ้ามองยอดไม้มองนกนองมองไก่ที่มันคุยเคียหากิ น, นไม่ใช่มองเพื่อหลงไปแต่มองเพื่อแก้อาการความง่วงตรงนั้ น, นก็ทำได้เนาะพยายามหาเทคนิคต่างๆพวกนีน้เป็นตัวช่วยนะหรือความคิดมันเกิดขึ้นอย่าไปคิดว่าทาไม ชั้นฟุ้งซ่านนะมันต่างกันนะหลวงพ่อคเขียนเคยเคยสอนนะเคยสอนนักปฏิบัติธรรมคนหนึ่งนะเขาปฏิบัติธรรมนะแล้วเขาก็คิดฟุ้งซ่านคิดจนทั้งเครียดหน้าก็เครียดนะใจก็เครียดหลวงพ่อไปเห็นก็ถามว่าอ่าไปสอบอารมณ์ไปถามนะเป็นไงบ้างนะเขาก็ตอบว่าวันนี้หนูเครียดหนูคิดมากอ่าหลวงพ่อก็แค่ว่าลองตอบหลวงพ่อใหม่สิ ไปฟังทำไหมหลวงพ่อสอนว่าอะไรนะเขาก็อืก็หนูมันเครียด จ, จริงๆอะ่ะหนูมันคิดมากจริงๆแต่เขาก็คิดได้ว่อหลวงพ่อคงไม่ชอบคําตอบแบบนี้ที่จริงมันไม่ใช่หลวงพ่อไม่ชอบหรอกแต่คําตอบแบบนี้มันไม่ถูกนะอ๋อดูแล้วจะตอบอยังไงอ๋อวันนี้หนูเห็นมันเครียดหนูเห็นมันทุกข์หนูเห็นมันคิดมากนะเห็นไหมถ้าหนูเครียดหนูทุกข์หนูคิดมากเนี่ย แต่ถ้าหนูเห็นมันเครียดหนูเห็นมันทุกข์หนูเห็นมันคิดมากเนี่ยมันต่างกันเนาะหนูเห็นเห็นมันแต่บางทีก็เผอไปเป็นบ้างแต่ก็ออกมาเห็นได้บ้างนะก็ยังดีดังนั้นเนาะบางคนอาจจะคิดมากก็ไม่เป็นไรหรอกก็ให้เห็นมันคิดมากนะนะไม่ใช่ว่าหนูคิดมากหนูแย่หนูไม่ดีนะไม่ก้าหน้าเลยก็ไม่เป็นไรแค่เห็นมันก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไป นะไม่เป็นไรหรอกนะฮนะก็ดูมันไปดูความคิดมากที่มันเกิดขึ้นจึงบางทีการปฏิบัติธรรมในแนวทางหลงพ่อเทียนบางทีความคิดนี่แหละกับเป็นอุปกรณ์ที่ดีในการปฏิบททัตนะิธรรมหลวงพ่อเทียนบอกอย่าไปห้ามความคิดนะถ้าห้ามความคิดเมื่อไหร่นะจิตมันจะเครียดจิตมันจะทุกข์จิตมันจะไม่ปกติเพราะว่าอะไรอย่าไปห้ามความคิดนะเรายกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมไป ความคิดมันจะแทรกเข้ามาก็ปล่อยมันแทรกความคิดมันดับไปก็รู้ว่ามันดับไปนะไม่ห้ามความคิดแต่ก็ไม่ปิดตามความคิดนะความคิดเกิดขึ้นก็แค่รู้แค่รู้แค่รู้ไม่ต้องไปให้ค่าว่าอ้ออันนี้คิดดีอันนี้คิดไม่ดีอันนี้คิดเข้าท่านี้คิดเป็นธรรมะอันนี้คิดเป็นเรื่องไร้สาระไม่ต้องไปให้ค่าไม่ให้ราคาเนะแค่สรุปเหมาดมดว่าอ้ออันนี้คือความคิดนะ จิตมันเพลอไปคิดแล้วแค่นี้พอจิตก็กลับมาอยู่เป็นปกติพอเราไม่ไปให้ค่าให้ราคานะจิตมันจะไม่เข้าไปปนกับความคิดไม่เข้าไปคิดต่อมันก็หยุดแค่นั้นแหละนะหยุดแค่นั้ น, นจิตมันก็จบตรงนั้นมันก็กลับมารู้สึกตัวเป็นปกติธรรมดาได้เนาะนี่แหละมันก็เป็นเป็นอารมณ์ที่สนุกนะปฏิบัติธรรมแล้วมันสนุกสนุกอะไรเพราะว่ามันเห็นตัวเองโอ้เห็นเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองมากมาย แต่ถ้าเราไม่มาทําแบบนี้นะเราคิดว่าไปทําอะไรสบายๆเหมือนก่อนมาที่นี่ก่อนฝึกหัดเนาะมันก็ไหลไปกับโลกเป็นธรรมดาแหละมันโกรธเกิดขึ้นก็ทําตามความโกรธนะ่ะมาหลงเกิดขึ้นก็ทําตามความหลงมันอยากนอนก็ไปนอนมันอยากกินก็ไปกินมาอยากเที่ยวก็ไปเที่ยวทําตามความอยากนะวันเวลาผ่านไปเฉยๆไม่ได้อะไรแต่ถ้าเรามาฝึกแบบนี้นะออเป็นการทวนกระแสกิเลสทวนกระแสกิเลสเมื่อเราไม่ให้ค่า ไม่ให้ราคากับกิเดสนะกิเดสมันหอมันเหี่ยวมันตายนะเหมือนกับต้นไม้ต้นไหนนั้นนะถ้าเราไม่ดูแลถ้าไม่ใช่หน้าฝนนะเป็นหน้าแล้งถ้ามันเราไม่ดูแลเนาะไม่ลดน้ําไม่พวนดินไม่ใส่ปุ๋ยมันก็หอมันก็เหี่ยวมันก็แห้งบางทีมันก็อาจจะตายไปได้กิเดสก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่ลดน้ําไม่พวนดินไม่ให้ปุ๋ยการลดน้ำพรวนดินให้ปุ๋ยกิเดสคืออะไร ก็คือทําตามมันนั่นแหละทําตามมันหรือบางทีก็เรียกว่าไปผักไสมันไปโกรธไปเกลียดมันนั่นแหละคือการเรียกว่าไปให้ให้น้ําให้ปุ๋ยนะพวนดินให้กับกิเลสหน้าที่ของเราก็แค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วอ๋อไม่เป็นไรรู้มันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่เป็นไรแค่เนี้ยพอละเป็นการไม่ลดน้ําไม่พวนดินไม่ให้กิเลสมันงอกงามขึ้นเผื่อมันจะดับมันจะตายเมื่อไหร่ก็อย่าไปคิด เป็นเรื่องของมันมันดับไปแล้วอาจจะเกิดขึ้นใหม่ก็ไม่เป็นไรก็แค่รู้มันเกิดขึ้นใหม่เนาะเพราะบางทีเรื่องพวกนี้เราไม่สามารถห้ามได้การมีปัญญาจะทำให้ใหเราเห็นว่าที่จริงสิ่งต่าง ม, มันเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะว่าใจเราอยากให้เกิดหรือว่าใจเราอยากให้ดับแต่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันนะถ้าตากระทบรูปมันก็ต้องเห็นรูปสิแต่ถ้ายังมีกิเลสอยู่มันก็ต้องไปคิดต่อ ว่ารูปนี้สวยรูปนี้ไม่สวยรูปนี้อยากจะเอารูปนี้ไม่อยากจะเอาเกิดไปคิดปรุงแต่งต่อก็มีเพราะว่าอะไรมันยังมีความหลงมีความไม่รู้นะยังไม่รู้ความจริงอยู่ก็หลงไปคิดแบบนั้นแต่ก็เห็นว่าอ๋อที่จริงเราก็ไม่จำเป็นต้องหลงแบบนั้นตลอดไปเมื่อมีสติเข้ามาแทรกเมื่อไรความคิดความหลงมันก็ดบมันก็ดับไปของมันเองเ น, ะนาะนะมันก็เห็นอ๋อธรรมชาต ฝ่ายหลงมันก็เป็นแบบนั้นธรรมชาติฝ่ายไม่หลงฝ่ายรู้มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเหมือนกันมันมีแต่เรื่องของเหตุเรื่องของปัจจัยไม่ใช่เรื่องของใครนะไม่ใช่เรื่องของกูไม่ใช่เรื่องของเขาแต่เป็นเรื่องของเหตุเรื่องของปัจจัยเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ยเรามาศึกษาเรื่องนี้เนาะศึกษาเรื่องกายศึกษาเรื่องใจไม่ใช่ศึกษาเพื่อให้ว่าเราเก่งเราดีเราวิเศษ ศึกษาเพื่อจะอวดใครสอนใครนะแต่เราฝึกึกษาเพื่ออะไร <c oughs> เพื่อกลับมาแก้ไขตนเองนะแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจนี่แหละนะแก้ไขที่ตัวเองดูที่ตัวเองเนี่แหละเจนทั้งมันเห็นว่าอะไรเห็นว่าที่จริงมันโง่ว่าเรายึดว่าตัวเองเนี่แหละเป็นสาเหตุของความทุกข์หนักๆเลยนะเห็นว่าที่เราไปยึดกายยึดใจกายไม่ดีใจไม่ดีพยายามที่ไปยึดไปแก้ไข ไปอะไรก็แล้วแต่ก็คือการที่เราไปหลงยึดกายยึดใจเป็นของเราเนี่ยแหละเป็นเหตุของความทุกข์ใจจริงๆเลยนะมันเห็นละเพราะมันเห็นมันก็จะเลิกการยึดชั่วข่าวมันยังไม่เลิกถาวรหรอกนะจนกว่าปัญญามันจะแจม่มแจ่มชัดจริงๆมันถึงจะเลิกยึดกายสุดท้ายก็เลิกยึดใจว่าเป็นของเราเวันนั้นมันก็ไม่มีกายไม่มีใจของเราแต่มันมีกายมีใจเป็นของธรรมชาตินะคืนกลับไปสู่ธรรมชาติ นะแต่ตอนที่ยังมีก็ต้องดูแลรักษาเป็นธรรมดานะเป็นธรรมดาแต่ปัญญามันจะเห็นว่าอ๋อมันไม่ใช่ของเราจริงๆหรอกแต่เป็นของธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะประกอบด้วยเหตุเกิดขึ้นเกิดผลอย่างนี้นะมันก็ดูแลรักษาไปเนี่ยการปฏิบัติธรรมขผมว่าเราเนาะเขาขอให้พวกเราได้เรียกว่าตั้งใจปฏิบัติวางใจให้ถูกนะเทาวางใจถูกนะการปฏิบัติธรรมก็ไม่ยากนะไม่ใช่เรื่องฟื้นอะไรหรอกนะ ไม่ใช่เรื่องที่หนักเกินไปหรอกถ้าวางใจถูกนะมันจะผ่านสบายมากผ่านทุกอารมณ์อารมณ์ไหนเกิดขึ้นก็ผ่านไปก่อนผ่านไปก่อนผ่านนี่ไม่ใช่คือไม่รู้ไม่ไม่สนใจนะผ่านก็คืออะไรรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางมอนก็เราเดินทางมาที่นี่นะบางคนมาจากกรุงเทพบางคนมาจากชายภูมิบางคนมาจากหนองบัวลำพูมาจากที่ไหนก็แล้วแต่เนาะ ก็มีเส้นทางแต่ละทางแตกต่างกันไปเหมือนกับพวกเราแหละบางทีวันนี้คนนี้ง่วงวันนี้คนนี้ไม่ง่วงวันนี้คิดมากวันนี้สงสัยวันนี้อะไรก็แล้วแต่บางทีแต่ละคนนั่งด้วยกันเดินด้วยกันเนี่ยแหละแต่อารมณ์แตกต่างกันไปเส้นทางในการเดินทางแตกต่างกันไปแต่ถ้าเรามีจุดหมายที่เดียวกันนะมาต้องผ่านมาใ น, ในที่เดียวกันนี่แหละนะ เช่นพวกเรามาจากคนอาทิตย์คนอาทางเราต้องผ่านขึ้นเขามานะเจอลาปะทาวเจอท่ามะไฟหวานกระทั่งมาเจอสุกโตนะอารมณ์ที่เราผ่านมันก็เหมือนกันนะเป็นทางผ่านเท่านั้นถ้าเราไม่ลงไปแวะนะไม่ลงไปแวะที่ไหนไม่ลงไปเที่ยวที่ไหนหรือไม่ตเติร์ดออกไปในทางผิดทางนะรับรองมันก็สามารถเดินมาสู่จุดหมายปลายทางได้นะต้องผ่านก่อนนะการผ่านอารมณ์ก็คือการเห็นแล้วก็เห็นแล้วก็ ต่อเห็นแล้วก็ต่อเห็นแล้วก็ต่อไม่ไปดงติดอะไรไว้เห็นแล้วก็วางเห็นแล้วก็วางเห็นแล้วก็วางเนี่ยวางอารมณ์คือแบบนี้การกลับมารู้สึกตัวบ่อยๆนี่แหละจะทําให้เราวางอารมณ์ได้แต่การรู้สึกตัวนะไม่ใช่ตัวนี้แทนคําว่าร่างกายเท่านั้นนะบางทีมันก็รู้สึกตัวที่ร่างกายที่เคลื่อนไหวที่กระทบสัมผัสที่ความหยุดนิ่งหรือบางทีมันก็รู้สึกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมไปทั้งตัวเลย อันนั้นก็แล้วแต่นะมันทีก็รู้เด่ น, นที่เท้าที่มือที่ลมหายใจที่อะไรก็แล้วแต่นะอันนั้นก็ยังเป็นการแค่รู้สึกตัวแต่จริงถ้ารู้สึกตัวจริงๆมันไม่ใช่ไปเรียกว่าเป็นชื่ออวัยวะหรือเป็นอาการอะไร ห, หรอกมันก็แค่รู้เป็นปรมัตุรู้เป็ น, นเป็นการเคลื่อนการไหวการกระทบสัมผัสการเปลี่ยนการแปลงการทุกของมันเฉยแต่จริงรู้สึกตัวมันรวมถึงการรู้ใจด้วย ร<ล>ู้ว่าตอนนี้สุขเกิดขึ้นกับใจรู้ว่าตอนนี้ทุกข์เกิดขึ้นกับใจรู้ว่าตอนนี้ความเฉยๆเกิดขึ้นกับใจหรือบางทีก็รู้ว่าตอนนี้ใจมันคิดตอนนี้ใจไม่คิดตอนนี้ใจมันสงบตอนนี้ใจมีความสุขตอนนี้ใจไม่สงบตอนนี้ใจไม่มีความสุขอะไรมันก็รู้เหมือนกันการรู้สึกตัวที่แท้จริงก็คือรู้กายหรือรู้ใจก็ได้อะไรที่มันเกิดขึ้นเด่นในตอนนั้นนั่นแหละ ความรู้สึกตัวหรือวัสตินะจะเข้าไปรู้ของมันมันไม่สามารถเลือกที่จะรู้สึกตัวที่กายตลอดที่มือตลอดที่ที่เท้าตลอดถ้าไปรู้แบบนั้นนะมันรู้แบบสมถะนะรู้แบบเพ่งแบบจ้องแบบกาหนดไว้รู้อารมณ์เดียวรู้อารมณ์เดียวมันเป็นสมาธินะแต่เป็นสมาธิที่ไม่เกิดปัญญาแต่สมาธิที่เกิดปัญญาคือใจที่ตั้งมั่นรู้อะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นในกายในใจนี้อย่างเป็นธรรมชาติ อย่าไม่ต้องกำหนดนะมันรู้ของมันเองนะแต่ตัวรู้ของมันเองมันก็เริ่มจากการที่เรามีฐานในทรักอย่างให้มันรู้นั่นแหละแต่บางทีมันจะเห็นว่าแม้จะมีฐานหรอจะรู้สักอย่างหนึ่งมันก็ไม่รู้ฐานนี้อย่างเดียวเดี๋ยวมันก็รู้ที่ฐานที่การเดินที่การยกมือที่การดูลมหายใจแต่บางทีมันก็มีใจโผล่ขึ้นมาทุกข์เกิดขึ้นมาหรือบางทีมันก็ไปรู้อย่างอื่นที่มันไม่ได้ตั้งใจจะรู้แต่มันไปรู้ของมันเอง อ๋อมันก็เห็นว่าแม้แต่ตัวดูนี้เราก็ไม่สามารถบังคับได้นะจะไปรู้อะไรนะมันก็รู้ของมันแต่สติมันจะไม่ไม่ไปรู้เรื่องนอกตัวนะอ่าการไม่คือมันไม่ไสนใจเรื่องนอกตัวแต่ไม่ใช่ว่ามั น, มนไม่เห็นนะเห็นก็เห็นได้ยินก็ได้ยินได้กลิ่นก็ได้กลิ่นใจรู้สึกถึงอารมณ์คนอื่นอ๋อคนนี้เข้ามารู้ว่าเขาร้อนรู้ว่าเขาเย็นมันก็รู้นะ รู้แต่เพียงแต่ว่าไม่ไปใส่ใจไม่ไปสนใจไม่ไปให้ค่าอะไรมากรู้แล้วก็อ้อรู้แล้วก็จบรู้แล้วก็วางมันจะกลับมารู้ว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรเป็นหลักอ่าเห็นคนนี้เข้ามาแล้วมันร้อนๆไหใจเรารู้สึกอย่างไรไม่ชอบหรือเปล่าเห็นคนนี้เข้ามาเขารู้สึกเย็นเจนกระทั่งอยากเรียกว่าเข้าใกล้มากใจเรารู้สึกอย่างไรนะเผลอไปเข้าใกล้เขาเกินไปหรือเปล่านะอันนี้ มันก็จะเห็นใจตัวเองเห็นอะไรเกิดขึ้นมักลับมาดูใจดูกายของตัวเองอยู่เป็นประจํานี่เนาะการปฏิบัติธรรมก็จะทําให้เราไม่หลงทิศผิดทางเพราะว่าอะไรเราจะกลับมาตรวจสอบมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจอยู่เป็นประจําเมื่อเรากลับมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายเป็นประจํานะตอนนี้แหละเป็นการสะสมความรู้นะสะสมความรู้เมื่อเราเห็นกายเห็นใจอยู่เป็นประจํามันก็เกิดความเข้าใจกายเข้าใจใจมากขึ้นเรื่อยๆ มันเมนเข้าใจมากขึ้ น, นเรื่อยๆนะมันก็สรุปสรุปบทเรียนได้ปัญญาญาณของวิปัสสนานะที่สำคัญมากๆ ก, ก็คืออะไรเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามนี่แหล ะ, ะเห็นถึงความเป็นทุกข์ของรูปของนามมีอาการอย่างไรเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงความแปรเปลี่ยนของรูปของนามอย่างไรเห็นถึงอาการที่บังคับบัญชาไม่ได้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขา เป็นอย่างไรเนี่ยปัญญาในการเห็นใจรักตัวนี้แหละจะเป็นปัญญาที่สําคัญมากที่จะทําให้เราเรียกว่าจิตใจมันเรียกว่าโปร่งโล่งสบายนะเกิดความรู้แล้วก็วางอารมณ์ต่างๆได้ง่ายขึ้นนะให้พวกเราพยายามดูอะไรก็แล้วแต่นะให้มันรวมลงลงหลักใจรักเมื่อใดที่เราคิดหรือว่าไปพยายามทำให้ผิดหลักใจรักนะเมื่อนั้นเราลงทางแล้วตรวจสอบตัวนี้นะตรวจสอบ ต, ตัวเองตรงนี้อยู่เป็นประจํา จะทําให้เราไม่ลงทิศผิดทางเช่นมันเบามันสบายมันนิ่งเกิดขึ้นเรามีความอยากจะให้มันเป็นแบบนี้ตลอดไปเนี่ยเราทําผิดกดไตรักษ์แล้วกดไตรักษมันไม่สามารถบังคับได้นะกดไตรักณ์มันก็เปลี่ยนแปลงไปของมันตามเหตุตามปัจจัยนะกดไตรักษจะให้มันสุขตลอดได้หรอในเมื่อพระพุทธเจ้าสอนว่าสิ่งต่างๆมาเป็นทุกข์ทุกข์คื อ, อาการที่เรียกว่าทนยืนอาการเดิมไม่ได้อันนี้แหละ มันทําผิดกดไต่ลักแล้วมันก็เลยเรียกว่าผิดหลักผิดมกักอ่าอันนี้เราก็ตรวจสอบตัวเองอยู่เป็นประจำเนาะหรือบางทีเอาง่ายๆนะถ้ารู้สึกว่าทําไปแล้วมันกลับมาดูตัวเองได้บ่อยความคิดมันสั้นลงความปรุงแต่งมันน้อยลงอันนี้ก็โอเคละโอเคละหรือบางทีเออมันคิดแต่ก่อนมันคิดมากเป็นผู้คิดมากตันดังก็เออ รู้ว่ามันคิดมากเห็นว่ามันคิดมากได้บ่อยขึ้นท้อตัวเองออกจากกรมณ์ได้บ่อยขึ้นมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรียกว่าความก้าวหน้าในการปฏิบัตินะเนาะเล็กๆน้อยๆพวกนี้ก็อย่างดีชั่วช้างสะบัดหูชอบงั ว, งวแลบลิ้นก็อย่างดีนะแต่ให้พวกเราพยายามสะสมตัวนี้บ่อยๆถ้าเรียกว่ารู้มากเท่าไหร่ความหลวงมันก็น้อยลงไปเท่านั้นเหมือนกับความมืดกับความสว่างอะไรนะเหมือนอย่างตอนเนี้ยกลางคืนมันมืด เปิดไฟฉายเปิดไฟหลอดนะมันก็มีความสว่างเข้ามาแทนที่เมื่อดับไฟฉายเมื่อดับไฟหลอดนะความมืดก็เข้ามาแทนที่อันนี้ก็เหมือนกันจิตใจก็เหมือนกันถ้ามันไม่รู้มันก็หลงอันนั้นเราก็สร้างสภาวะตัวรู้ให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆโดยการพยายามกลับมารู้กายรู้ใจของเรานี่แหละนะโดยใจที่เป็นกลางโดยใจที่ตั้งมั่น ให้รู้แบบสบายๆย อ, ยอย่าไปเคร่งอย่าไปเครียดนะทสยสบายๆแต่ไม่ใช่แบบใจลอยน ะ, นะายสบายๆคือทำให้มันแบบเพลินๆสนุกสนุกในการดูนะสนุกในการเห็นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะไม่เข้าไปเป็นกับมันนะสนุกในการดูไปเรื่อยๆเนะนนถ้าเราทำแบบนี้นะการปฏิบัติธรรมก็จะเป็นเรื่องที่เรียกว่าเรื่องที่สนุกเรื่องที่ง่ายแล้วก็เรื่องที่เรียกว่า ไม่ลงทิศผิดทางนะ้กก็ขอให้พวกเราทุกคนได้ได้เถอได้เดินในทางนี้นะในการถูกทางนะเราจะได้ถึงเป้าหมายสุดท้ายก็คือมรรคผลนิพพานเนาะด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเธิน